อิมฟินอาดาบิมฟิลควบริอัลลอฮุมะอฟินีฟิบัต ي นอฟินีฟิสัมัยอฟ ف น ي ฟิบั ر ร سبحان อั ل ลอฮ حمد ه عددخلق ه و ر ض ا ن فس ه وزينت أرش ة, ه و מ د ا د ك ل م ا ت ه يحيو يحيو برحمةك أ س ت غ ي ث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرف عينين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. พ <t> ี่น้องที่ร่วมนมาสบรบที่มัสยิดที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามนะครับจากเซทที่อยู่ที่บ้านพี่น้องครับ ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และุะตาลที่อัลลอ์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้เราต้องขอบคุณอัลลอ์บนที่นอนนะว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอัคยานะบาดะมะอามะตานะไวลัยหินนุชูรขอบคุณอัลลอ์ถ้าไม่ขอบคุณอัลลอ์เนี่ยอัลลอฮ์ตำหนิอัลลอฮ์ตำหนิ นบีเขาตำหนิอะไรให้นอนทั้งคืนลืมตาคืนมาไม่ขอบคุณอัลลอฮ์มันต้องเรียนขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้มีโอกาสได้ทบทวนอัลกุรอานต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะให้กล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาฮ์อย่างน้อยมีอยู่6ประโยคหรือ7ประโยคอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอะคบัตสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮี s ล b h a n a l l a h a l a z i س ت غ ف ر الله لقاء อะไรนะ subhanalmalik a l k Allah u a k b a ทั้งหมดเหล่านี้ประโยคเหล่านี้ให้เราอะไรเปียกชุ่มที่ลิ้นของเราด้วยการรำลึกถึง Allah ได้ทุกเวลาเราขอบคุณ a l l a นะครับที่เราทบทวนันกุรอานมาถึงสุร้อ์อังกะบูโจบไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เป็นซูรรที่20 28หรือ29 29วันนี้ขึ้นซูรรที่30อัลฮัมดุลิลละก็ี่ปีแล้วเนี่ย30ปีพอดีขอบคุณอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ทำงานสามน้มา30ปีนี่นะอัลลอฮ์อักบัดถามว่าคุ้มค่าไหมยังไม่คุ้มครับ จะต้องทำต่อไปเองหยุดได้ไหมไม่ได้ถามว่าท่านนาบีมม h o m a เนี่ยหยุดเผยแผ่หรือเปล่าไม่หยุดมีนบีอยู่ท่านหนึ่งสอนสอนไปแล้วก็เลิก เ, เลาเล่าเลยนะนบีอะไรที่เว้นท้องปลานะ่ะนบียูนสุสอะเลฮิสตาลามเห็นไหมพออยู่ในท้องปลาเนี่ย เ, เลาไม่พอใจแล้วก็ยุุ่่ก็รู้รู้ตัวแล้วขอดูอาวว่างไง ร, รึเปล่า ล إ إ, إ, إ, ا إ ل ล إلا أنت ลาุบ ه إلا ก ن, ن س س ت س ب น ا ن ك إني كنت من الظالمين แปลว่าอะไรรูมาหมลาอิลฮาอิลลาอันตะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพพักดีนอกจากอัลลอ์ท่านองเดียวลาอิลฮาอิลลาอันตะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะกะมหาริสุ์ยิ่งเดอัลลอฮ์อินีกุนตุแท้จริงฉันเป็น เรู้ตัวครับว่าฉันนี่เป็นคนยังไงมีนักรอหรืมีเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้อาธรรมทั้งหลายนี่ภาษานี่เป็นภาษาที่สารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ภาษาภาษาคนดีฉะนั้นเราเองเหมือนกันนะทำอะไรผิดผิ ด, ผดมีไหมมีโดยไม่รู้ตัวก่อเยอะที่รู้ตัวก่อเยอะฉะนั้นขอบคุณอัลลอฮ์ นะครับห้ามเดลิเลวันนี้มาถึงสุราอารูมนะครับอารูมเนี่ยอธิบายอย่างนี้อารูมนี่เป็นประเทศประเทศโรมันประเทศโรมันเนี่ยในสมัยท่านนบีเนี่ยมันเป็นประเทศที่ใหญ่มีโรมโรมันตะวันตกมีโรมันตะวันออกมีพูดเยอะไม่ได้เวลาจํากัด แล้วต่อมาเขาแบ่งโรมันตะวันตกแยกออกไปโรมันตะวันออกก็ก็อยู่นี่และข้างๆมักกะเนี่ยแหละแล้วก็พวกโรมันตะวันตะวันออกเนี่ยส่วนใหญ่นับถือาศาสนาคริสต์พวกนับถือกราบนาบีอีสาอะไรที่สระไม่ไดกราบอัลลอฮ์กราบอลัลลอฮ์ด้วยแต่กราบนาบีอิสาเขาเรียกว่กีดา้าผิ อิสลาม พ, พอใจไหมนบีอัลหมัดมาสอนอลัลลอฮ์ไม่พอใจเล่าให้ฟังว่าอาลัลลอฮ์ไม่พอใจส่วนพวกอีกพวกหนึ่งก็เรียกว่าพวกเปอร์เซียเผือกโปเชียฟาริสต์พวกเปอร์เซียพวกเปอร์เซียก็อิหร่านในปัจจุบันนี่แหละพวกอิหร่านพวกเปอร์เซี ย, นนนนยสมัยนั้นเนี่ยนะบูชารูปจเวิตบูชาจาเวิตบูชารูปปั้น เหมือนใครเหมือนพี่น้องอาหรับในในซาอุดีญาตินบีก็ บ, บูชารูปเจเวตเหมือนกันอะคิดได้เดียวกันแต่ว่าพวกโรมันอากิดได้คนละอย่างกับพี่น้องชาวอาหรับมุสริกทีนี้อลัลลอฮ์ต้องการจะเล่าเล่าว่าโรมันนี่นะส่วนใหญ่อำหนาจเขาเยอะแข็งแบบอเมริกาวันนี้แหละ ทหารเยอะอาวุธเยอะอะไรเยอะสงครามกับใครกับเพื่อนกับแพ้หมดนั่นแหละอเมริกาชนะมาตลอดรัต <c oughs> กรูอานนี่อย่างน้อยสามอายานะอธิบายบอกว่าพวกโร ม, มันจะแพ้เคยชนะมาตลอดนี่มันเหมนเิมดนแ ล, ล้วอัลลอ์ในประกาศในกุรอานผ่านท่านนาบีมุฮัมมัดเล่าให้ท่านนบีฟังบากต่อมานะ อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยพวกเปอร์เซียจะแพ้ตอนนี้ท่านอบูบักเนี่ยเมื่อตอลอดประธานอ่านุรอานผ่านนาบีพอนบีอ่านให้ฟังเป้าเอาไปคู่ที่ตลาดเลย <c oughs> เอยากรู้ว่าเนี่ยพวกเปอร์เซียที่ว่าเก่งๆนะตลลอดประธานอัานคุรอานลงมาผ่านนาบีบอกไม่ใช่มันจะแพ้จริงเนะ เฮ้ยจริงสิอย่างนั้แหละแต่นี้มันมีศัพท์อยู่คำในหนังสือนพีกุราอานอายะที่3ฟมีบิดยาอีสีนินพีบิดยอีสินินในเวลาใกล้ๆนี้แหละไม่กี่ปีแต่นี่ท่านอา บ, บูบักเนี่ยไปอธิบายเองโดยไม่ผ่านนาบีนบี น, บนสอนอยู่บางท่านมันอนุ่อน บางทีก็อาจอาจะอาจจะไม่ได้ฟังนะภายในสามปีสปีนี่แหละชนะแน่สงครามเกิดขึ้นแล้วก็พวกเปอร์เซียแพ้อ่าอย่างนี้เป็นไม่ใช่เปอร์เซียดิเปอร์เซียชนะแล้วก็โรมันพวกโรมจะแพ้ก็มีการพนันกันเกิดขึ้นวันนั้นเรื่องการพนันเนี่ยยังไม่ได้ถูกยกเลิกอ่ากูอ่านยังไม่กล่าวเรื่องการพนันนะพนันกันมาก อุดร้อยตัวแต่นี้มุนนบีรู้ขาวว่ท่านนบูบังไปคุยข้างนอกเนี่ยไปคุยที่ว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้า3ปีสีปีนี่แหละอธิบายกุณอ่านคำว่าบิดบิดอีสี่นิบิดีนี่แปลว่าจานวนตั้งแต่3ปีถึง9ปีไม่ใช่3ปีถึง4ปี5ปีไม่ใช่3ปีถึงกี่ปีนะปีฉะนั้น ที่ไปคุยไปที่ตลาดน่ะไปแก้ซะนบีถาท่านอบูบักว่าไปคุยทําไมก็ใจมรักอัลลอฮ์น่ะต้องการจะโชว์ว่าของที่อัลลอฮ์พูดน่ะจริงหมดเพื่อจะพิสูจน์ว่าของที่มูฮัมหมัดสอนในเรื่องจริงวันกียร์ม่ามีจริงตายแล้วฟื้นจริงฟื้นแล้วต้องไปเยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์จริงต้องการจะพิสูจน์แล้วต่อมาหนะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงด้วยพอเกิดขึ้นจริงภาพเนี่ยคนอาหรับมุสลิกใ น, นนครมาก็รับมิสลามคนเต็มเลยมนาะเห็นอย่างครับกค่แบบเดียวกับที่อเมริกาที่ตึกเวิลด์เทดอ่าคุยเรื่องแต่ ก, การเมืองเล็กๆน้อยๆนะตึกเวิลด์เทดถูกทำลายนะถูกระเบิด อเมริกาว่าไงนะอุซามาเบนลาดินโอ oh, อารบมุสลิมนี่มุสลิมทั่วโลกเสียใจยหกันนะอเมริกาก็ด่าเลยนะเนี่ยฝีมือมุสลิมแต่ที่ไหนได้นะอเ ล, ล็กกูนี้วางแผนอเ ล, ล็กก็วางแผนอีกคนอเมริกาเริ่มเรียนอิสลามมุสลิมุสามารถเป็นมุสลิมและอิสลามศา ส, สนาอิสลามส่งเสริมให้มีการก่อราจริงหรือเปล่าทีนี้ คนยุโรปกับคนอเมริกาเนี่ยดีกว่าคนไทยอย่างคนไทยเนี่ยไม่เรียนพอจะเรียนอิสลามเนี่ยไม่เรียนกุรานเรีย น, ยนาศาสนาผ่านตูวย่าตายายนี่มันต่างกันตรงนี้เขาเรียนาศาสนาเขาเรียนจาะกะไรนะจากกุรานจบเลยไนงะอ่านกุรานทีละอายะอายะอายะแต่พวกเราเมืองไทยเนี่ยพอจะเรียนาศาสนาถามตัวย่ะว่ายังไงประเพณีปฏิบัติว่ายังไง ทิ้งยากทิ้งยากกว่าทิ้งง่ายทิ้งยากมากเลยครับลอาจจะไม่เล่าไ ป, ป น, น้องฟังรับอิสลามในอเมริการับกันเต็มแต่วันนี้ยังรับอิสลามกันอยู่อะไรเกิดมาทําลายมุสลิมทำลายอิสลามไป น, น้องตรงกันข้ามนะเขาเรียนกูนอ่านในกูนอ่านพอเจอไปจะเจอนบีอิสาเป็นลูกใครอธิบายชัดรับอิสลามทีละคนละคนละคนละคนนี่ไง เขาวางแผนแต่อัลลอฮ์ก็วางแผนแต่แผนของใครดีกว่าท่านอัลลอฮ์ฉะนั้นมาพูดเรื่องการเมืองนิดนึงนะอะอะไรนะเขาเรียกว่าที่มันมีสองสองพวกยังมาพวกที่เอาทหารกับพวกที่เอาอะไรนะเอาประชาชนที่ตยประชาชิทีต ย, ยนะี่นะใกล้กับอิสลามมากที่สุด จะเนคนที่เชียร์นักการเมืองนี่ก็ต้องเป็นด้วยนะเองตง้องมีจุดยืนบ้างนะไม่ใช่เชียร์กันง่ายๆหรอกครับถ้าจะเอาอิสลามไปอิสลามกล้ากับประชาธิปไตยมากที่สุดแต่ไม่ใช่อิสลามเกือบๆถึงอิสลามถึงบางข้อแล้วไม่ถึงบางข้อต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยไม่ใช่เชียร์มั่วนะครับอ่าพอกับอัลลมี บิสมิลลาฮิรรหมนิรรหีมเราไม่แปลว่าอะไรด้วยพระนามของอัลลอฮ์อัลรหมานผู้ทรงผู้ทรงอะไรนะผู้ทรงกรุณาปรานีคำว่ากรุณาปรานีนี่นะทั้งคนที่เอ า, าศาสนาไม่เอาศาสนาเอาอัลลอ์ไม่เอ า, า, าเอา Allah, ัลลอฮ์อัลลอ์ดูแลหมดเลยให้ออกซิเจนฟรีให้แผ่นดินของอัลลอ์เดินฟรี ให้โนนไ้ น, น, นี้ให้ทุกอย่างนะอาจจะให้ดีกว่าคนที่เอาศาสนาด้วยอยู่ตัวอย่างฟาโรห์เห็นไหมแล้วก็กอรูณเอาศาสนาเปล่าไม่เอาแต่อัลลอฮ์ให้เงินให้ทองให้ตําแหน่งชื่อเสียงเต็มไปหมดเลยและเป็นไงเสร็จแล้วก็ตะกรรมบูตเยอะยิงจองหอบลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้แผ่นดินสูบลกใบนั่นการนั้นนั่นให้ให้เราได้เห็นทีนี้อัลลอฮ์เนี่ย เป็นผู้ทรงกรุณาปรานียังไม่พอนะอารอใหผู้ทรงเมตตาเมตตานี่ใครก็บ่าเมตตาคนที่เชื่อฟังอัลลอลาในโลกอาคิระเท่านั้นโลกดุนยาเนี่ยอัลลอให้ทั้งทั้งคนเอาและไม่เอาเพราใจนะคนไม่เอาศรราสนาอัลลอก็ให้แล้วให้ดีค่อนข้างจะดีกว่าคนที่เข้าบาได้นหครับไ ม, ไมกินเหล้าทำดีนาได้เชิญตามสบาย เดี๋ยวพอตายแล้วฟืน้นขึ้นมาวันนั้นเองบุสิษนะบุตรศิษย์อัลลอฮ์ใหเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาเฉพาะผู้ที่อีมานต่ออัลลอฮ์เท่านั้นนำโดยท่านน บ, บีมุฮัมมัดในยุคสุดท้ายนี้นะครับ <S <S อัลิฟลามีมอัลลิฟลามีมเนี่ยขาแปลกันเยอะแต่อย่าไปแปลเลยอัลลอฮ์รู้นะว่ามีความหมายว่าอะไรนะครับไม่ต้องไปอธิบายนะ กุลบาติร์รูกุลบาติร์รูกุลีบ า, า, ป า, าบแานนนะลบปลว่าถูกพิชิตแพ้แล้วแปลว่าแพ้หล้วกุลีบาตาชาสํานวนดีนะกุลีบาแปลว่าถูกพิชิตแปลว่าแพ้ใครแพ้ครับอรูมพวกโรมันพวกโรมันเนี่ย แพ้ในสงครามนี่เป็นการทำนายน ะ, ะเป็นการทำนายว่าในอนาคตรูมเนี่ยเป็นรูมเนี่ยเป็นประเทศที่ว่าแข็งแกร่งแบบโอ้โหมีทหารมีนูน่นมีนี่เต็มไปหมดเนี่ยแล้วก็เป็นพี่น้องชาวคริสเตียนด้วยนะแข็งแรงมากเลยเนี่ยนะชนะมาตลอดทำาทำสงครามแต่กุรานอธิบายบอกว่าไม่ช้า พวกโรมันจะถูกพิชิตพิชิตโดยใครครับอาณาจักรเปอร์เซียอาณาจักรเปอร์เซียจะทำสงครามกับโรมันแล้วโรมันจะแพ้ในที่สุดนี่เป็นการทำนาจากอัลลอฮ์สุบฮานหูวาตอลาน้องต้องนึกนะพวกเปอร์เซียเนี่ยเป็นพวกบูชารูปเจเวตส่วนโรมันเป็นพวกบูชา้าพวกคริสเตียนพวกอาริติตาบ บูชาใครบูชานาบีอีสาอาลาอะไรอิสสลามถ้าว่าถูกหรือผิดผิดแต่ว่าอัละมันกล้ากับอิสาลามอัลลัมเดลิลละมาต่อมาอายาที่2ในปีเท่าไรรู้เปล่าเนี่ยในปีที่หลังจากนาบีหลังจากคริสต์ศักราชคริสต์ศักราชเท่าไรหกร้อยสิบาประมาณนั้นละ615นะครับ615 616สิ6 15, 6 في อ د ن ا ل ้ ر ض وهم من ب ع ล غ ل วกเขา ي ีความแข็งแกร่งที่ م ะชนะในอดีนั้นแผ่นดิน ب ละพวกเ ا รน สับนี่ง่ายนะอัต น, นาแปลว่าใกล้กลๆอัต น, นากับดุนยาเนี่ยสับคำเดียวกันเนี่ยโลกที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าดุนยาแล้วก็แปลว่าอัต น, นาด้วยแปลว่าใกล้ๆจะหมดอายุแล้วฉะนั้นดุนยาเนี่ยอธิบายตัวมันเองสับเองเนี่นะใกล้จะหมดอายุใกล้จะหมดอายุฉะนั้นอย่าไปหลมดุนยา เอาดุนยามาเป็นไรนะมาเป็นทางไปสู่โลกอาคิรโรแสวงหาอาคิรโรบนโลกดุญญนยาใบนี้เหมือนกับชีวิตที่ท่านนาบีได้สอนเอาไว้ได้ให้รูปแบบเอาไว้และบรรดาซอบาลนาบีทําตามานาบีสําเร็จหมดเลยครับฟีอาดนาในแผ่นดินอรัราตปาว่าอ์ตบาวแผ่นดินฟีอาดนาลอาร์บา ในแผ่นดินใกล้กลๆต้องการจะอธิบายว่าเมืองโรมเนี่ยอยู่ที่ไหนโร ม, มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ใกล้ๆซาอุดีนั่นแหละอยู่ใกล้ๆมักกนะนั่นแหละถ้ามักกะเป็นเมืองที่อะไรฮารามันเป็นสัตเป็นเมืองที่เขตห่วงห้ามใช่ไหมมาครั้งที่แล้วเนี่ยแล้วก็อาบินั้นปลอดภัยจากการฆ่ากาันต่อไปจากการสู้รบกรันมีแห่งเดียวในโลกที่อัลละฮ์คุ้มครอง ที่อื่นเราไม่คุ้มครองเขาเอาทหารมาคุ้มกันไงใช่ไล่ะก็มีแพ้บ้างชนะบ้างแต่ที่นครมกาแห่งเดียวเป็นสถานที่ฮารอมเป็นสถานที่เขตหวงห้ามอาไม่นั้นแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่มีการฆ่ากันไม่มีการลักพาตัวไม่มีการทะเลาะกันตัดต้นไม้ได้ไหมไม่ได้ล่านกได้ไหมไม่ได้อลัลลอ์ห้ามแลยทุกคนเขา้าใจหมดแล้วแต่ที่อื่นเนี่ย อัลลอฮ์ไม่ไม่ประกันประกันอยู่แห่งเดียวในโลกคือทิณาครมักกะดีได้ไม่ดีนี่เป็นเรื่องจริงบปล่แล้วก็จริงด้วยอิสลามเจริญก็เพราะอย่างนี้แหละไป็นว่าครับโอ้นี่ที่ที่อัลลอฮ์พูดเป็นเรื่องจริงที่นบีนาะมามาสอนเป็นเรื่องจริงนบีมาก็มาจริงอิสลามก็มาจริงหมดเลยลห้ามไดละละละ้เลยไม่ต้องไปสงสัยนะ في أدنى ا ในแผ่นดินใกล้้ประเทศอาหรับก็คือปาเลสไตน์แล้วก็จอร์แดนซีเรียวันนั้นยังไม่เป็นมุสลิมวันนั้นเนี่ยยังไม่เป็นมุสลิมแล้วก็ใครเอาอิสลามไปสอนหรือเปล่าไซดีนาอุมัด ร, รอดิยัลลอฮฺอัลลอฮฺหลังจากได้รับอิสลาม ท่านท่านนบีเสียชีวิตท่านอบูปักเป็นคอร์ลิฟอยู่สองปีไซนาอุมัดเป็นคอลิฟายสิบปีนะสิปีของท่านเนี่ยทำอะไรบ้างอัลลอฮฺมิโนะครับเผยแผ่อิสลามอย่างเดียวเผยเผยเผยเผยเนี่ยอะไรนะจอดแดนรับอิสลามเบลสตานรับอิสลามซีเรียรับอิสลามด้วยฝีมือของไซนาอุมัด ร, รู้เป่ารั บ, อ, รบ อ, อิสลามในวันนั้นเนี่ยสิบสปีเนี่ยกี่หัวเมือง สามพันกับร้อหัวเมืองสามพันกับหนึ่งหัวเมืองรับอิสลามฝีมือใครไซนาอุมา ร, รอดียอละหัวอ่นดูแล้วก็สร้างมัสยิดเท่าไรหร่รูเปล่าสี่พันมัสยิดพอรับอิสลามแล้วก็หาที่นมานะสร้างอะไรก่อนสร้างมัสยิดเลยอีกสี่พันมัสยิดไซนาอุมา ร, รับผิดชอบดูแลยแล้วก็ต่อมาท่านก็เสียเสียชีวิต ในวันเสียชีวิตน่ะเขาเช็คทรัพย์สินแล้วเป็นนักการเมืองนะเช็คทรัพย์สินแล้วมีอยู่สี่รายการหนึ่งมีบ้านทําด้วยทําด้วยอะไรดินสองมีล่ออยู่ตัวหนึ่งไม่ใช่ลานนะล่อนะล่อนี่แย่กว่าลานนะเอาไว้ขี่เยี่ยมประชาชนอันที่สามมีแส่อยู่อันหนึ่งแสมาทําอะไรธรรมดาแสเขาไ้ตีคนใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ตีก็มาทําอะไร มาเคาะประตูตามบ้านก็ตื่นก่อนนมาโซโบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็บุกประชาชนสล่สาซล่าโซลาปฏัติปฏัติปาาตัตที่คอริฟ่าแล้วก็ข้อททสีมีราในมีเสือ้อไม่กี่ตัวละกับบางตัวมีร้อยร้อยไรร้อยปากนั่นไัยานาอุมัดอัลลอฮ์อานุบคุคอรองคอลิฟ่าเป็นสิบี่ปีแล้วเป็นไงรูปป้ปล่า พอซับสินมีแค่สีรายการเองไม่โกงสักบาทยัยงไงเอาเรื่องโกงมาพวกๆเรื่องโกงเนี่ยเลาหน้าการเมืองเก่งอย่างนี้ครับเราเราเราเร า, เราไม่แต่อัสตัฟุรุลลอฮฺฟีอาดนัลอร์ดในแผ่นดินใกล้ๆ ก, กับประเทศอาหรับนี่แหละก็คือปาเลสไตน์จอร์แดนซีเรียวันนั้นยังไม่รับอิสลามเข้ยาใจนะ ว่ามิมบัดดีกลับบิหิมชายกลิบุนมิมบัดดีแปลว่าหลังจากกลับบิหิมแปลว่าปราชัยหลังจากแพ้บว่าหลังจากหลังจากแพ้แล้วชายกลิบุน ในไม่ช้าไอซ่าเนี่ยแปลว่าในในไม่ช้าในไม่ช้าพวกเขาก็จะชนะอีกสวัสดีนะักใจนะพอแพ้แล้วโอกาสที่จะชนะมีไหมมีเนี่อัลลอฮฺทำนายกุญญานทํานายเลยอัลฮะมดุลีละแพ้แล้วต่อมาจะชนะอีกแพ้แล้วต่อมาจะชนะอีกแสดงว่าการสงครามที่เกิดขึ้นในในโลกนี้อัลลอฮฺรู้ว่า รู้ไหมรู้ฉะนั้นวิธีพูดเนี่ยอัลลอ์สอน ก, กัเกีีกุรอานเยนะอย่างอิรักแพ้ อ, อเมริกาเนี่ยซาดามถูกฆ่าตายเนี่ยอัลลอ์ช่วยไหมอัลลอ์เป็นไงถ้าศัตรูของอัลลอท์ทำสงครามกับเบ่าอัลลอ์ที่นมาดเข้าใจนะ อย่างประเทศอิรักซีเรียวันนี้ถูกขย่มหมดเลยใครไมล่ละละมุสลิมหนีไปอยู่ประเทศต่างๆที่ผู้อพยพเนี่ยอลัลลอ์ช่วยไหมอ่าอลัลลอ์ภาษากูรอ่านไม่อลัลลอ์ทดสอบให้มุสลิมได้สำนึกเพราะว่ามุสลิมบางคนตะก บ, บยเยอะยิงจองของไม่เอาศาสนาเยอะัหมเ ย, ยอะมากครับอลัลลอ์ให้แพ้สงครามแพ้สงครามแพ้สงคราม เพื่อสอนมุสลิมเขาเรียกว่าอิบติละเป็นการทดสอบแต่ถ้าหากว่ามุสลิมชนะชนะศัตรูนี่นี่เป็นการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ตรงๆเลยแบบสงครามบาดัาที่ผ่านมาประชากรมุสลิมมีเท่าไราเบนไปแค่300รอคนส่วนคนกาฟิรีมุชลิกเท่าไรสามพันละใครชนะมุสลิมชนะนี่เป็นการกระตุ้นนัสรุลลอห์เป็นการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ سبحانه และุ้อุ้อัลล ดันั้นเราต้องเขต้องเข้าใจนะฉะนั้นเรื่องการเมืองทั้งหมดเนี่ยเรารู้ไหมรู้แลกประเทศไหนจะแพ้จะสงขาจะชนะเรารู้ไหมรู้เดี๋ยวอ่านไปจะเจอวะฮุหมิบะดีกลาบิฮิมไซาะลิบุลและหลังจากปรชาชัยของพวกเขาแล้วคือหลังจากพวกโรมันแพ้แล้ว ในไม่ช้าก็จะพิชิตชนะคือจะชนะตีดินแดนคืนจากประเทศเปอร์เซียได้อีกอสองประเทศก็ทะเลาะ ก, กันนะแบบวันนี้อเมริกากับใครนะกับจีนอเมริกากับรัสเซียก็อย่างนี้แหละใช่ไหมนั่นคนกาเฟก็ทะเลาะ ก, กันนะเราก็นั่ง ด, ดูด้วยอะไรเอากัรภานมาแปะบ้างโอ้เหตุการณ์ทั้งหมดนี่เราตลารู้หมดนะครับ ต่อมาอายะห์ที่สมครับฟีบิดอิซินินลิละฮิลอะมรุมิงกับลุวะมิ่บาดวยาวมาอิดี يفرح المؤمنون في بدع سينين ลิลลอฮิลลอฺอัลอฺมร์มิ่งกับลูว์มِ่งบั๊บด์วายูมอิดียัฟรร๊าห์ล์มูอฺมินุนฟีบิดกَซี ل ินในเวลาไม่กี่ปีบิَยังไงแปลว่าไม่กี่ปีซีนินแปลว่าปีในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โรมันจะแพ้สงครามนี่เป็นคําทํานายทํานายจากอัลลอฮ์เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จเรื่องจริงครับทําไมต้องพูดเรื่องการเมืองทําไมต้องพูดเเพื่อให้มุสลิมได้เข้าใจเปล่าอิสลามเนี่ยมันสอนทุกเรื่องนะมันจะสอนเรื่องนามาสอย่างเดียวนะเรื่องการเมืองก็สอนแต่นาเราต้จงมีวิญญาณอิสลามแค่นั้นวันนี้หลักการอิสลามเนี่ยถูกนํำอำาณาจักในโลกหรือเปล่า เพราะย a h ดีมันไม่ให้อิสลามโผล่ขึ้นมาบนโลกใบนี้ใช่ไหมหลักการอิสลามเนี่ยเพียวๆเนี่ยเอามาใช้ได้เปล่าก็ใช้ได้เฉพาะประเทศมุสลิมอ๋อแค่แค่เอาหลักการอิสลามประเทศอะไรเนี่ยประเทศ่อข้างๆมาเลเซียน่ยอะบรูไนเอาหลักการอิสลามมาใช้ข้อนึงยังมาประท้วงกันเลยนะ่ะเดินตำหนิเข้าอะไรครับ เขามาต้องการใช้หลักการอิสลามเนี่ยโผล่ขึ้นมาบนโลกดุนยาไปนี้นี่ความพยายามของกายของพวกยิฮูดีเป็นสตรูของอัลลอฮ์สุบฮานาบูต้าแล้วแต่อย่าเลื่อมนะอิสลามเนี่ยเป็นของใครเป็นของอัลลอฮ์แล้วก็หะดีคุณท่านนาบีมีอยู่บทหนึ่งใกล้ๆวันกิยามะยิฮูดีกับมุสลิมจะทะเลาะกันแล้วใครชนะมุสลิมจะชนะต้นไม้ทุกทุกอะไรนะ ทุกพันในโลกนี้จะเข้าข้างมุสลิมหมดเลยว่ามุสลิมมานี้มาเนี้มานี่ยีิยมฮูดีมาแอบอยู่คนต้นไม้นี่ <c oughs> มีต้นไม้อยู่พันเดียวชื่อรสกัดรกัดตอนนี้เริ่มปูดในในไรนะในอิสรามอีแล้วเห็นยังครับนคําทํานายของของของท่านนาบีแล้วยฮูดีเชื่อด้วยนะว่านาบีบุหมัดพูดมาเคยโกหก <c oughs> อ่าค่อยดูกันต่อไป เราคงตายก่อนนะฟีบิดไอซินนะีในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคำว่าไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยถึง9อ่าไปน้องทด้เป็นความรู้นะบิดไอแปลว่าไม่กี่ไม่กี่ปีมาถึงสมปีถึง9ปีท่านบุบังไปคุยก่อนทีนี้ พอที่สั่งท่านอาบูบักไปคุยที่ที่ตลาดนี่นะบอกว่าเปอร์เซียมันจะแพ้นะ่ะไม่ใช่เปอร์เซียจ ะ, จ ะ, จ, ะจะนะจะทําสงครามกับกับรัฐ ก, กับกรุงโรมและเปอร์เซียมันจะชนะกรุงโรมจะแพ้เนี่ยเขามีการพนันกันด้วยอูดร้อยตัวพอสงครามเกิดขึ้นจริงแล้วก็พวกโรมันแพ้จริงๆเนี่ยท่านอบูบักได้อุดมาร้อยตัว แล้วมาถามนาบีนบีชุมได้อุนมาร้อยตัวทำไงดีวันนั้นอลล้อยยังไม่ได้ห้ามเรื่องการพนันนะนบีแนะนำว่าบริจาคให้หมดเห็นยังครับบริจาคให้หมดบริจาคกคญจกุญชนไปอัลฮัมดุลิลลาห์ใไหมนี่ไงฟบิดอัยสินีนในเวลาไม่กี่ปีข้างหน้านะครับ ตั้งแต่กี่ปีนะสามปีถึงเก้าปีหรเรื่องสงครามนะต่อมาครับลิลลาฮิลอัลหมุรุมิงกอบลูฮามิมบาดุลิลลาแปลว่าเป็นของอัลลอฮ์อัลอัหมรุหมายถึงคำบัญชาคำสั่งอะไรต่างๆเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมด มนุษย์นี่ออกคําสั่งอะไรก็ถ้าม า, มาจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่พอใจถ้ามาจากอัลลอฮ์นี่นะคำภาพบัญชาทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์มิ่กอบลีก่อนหน้านี้ก็เป็นของอัลลอฮ์ว่ามิ่งบาดีและหลังจากนี้ต่อไปก็เป็นของอ AH. ัลลอฮ์หมายควาว่าโลกใบนี้จะจิมจะมีอายุนานเท่าไหร่ก็ตามก่อนหน้านี้ก็เป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูแลและหลังจากสงครามนี้ หมดไปแล้วอลัลลอฮ์ก็เป็นของอลัอลอลอฮ์อัลลอฮ์ดูแลหมดเลยเนี่ยสอนคนมุสลิมไม่ให้ตกบฏสอนพวกเราไม่ให้เยาะเย้ยจงอมหงส์เรื่องในครอบครัวเราอลัลลอฮ์รู้ไหมอัลล่าให้ฟังพี่น้องบางที่อาจจะลืมลุงนบีชื่ออับบาสวันนั้นยังไม่รับอิสลามก็ไปทําสงครามกับนบีกับหลานสงครามบาดาสมันและแล้วก็แพ้ใช่ไหม ออกไปสามพันคนนะ่ะแพ้นะแล้วก็นบีบอกว่าประชุมกับซาบ้าให้ให้ถ่ายตัวเอาเงินมาถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาถ่ายพอท่านอา บ, บาสเข้าไปหาท่านนาบีท่านอบ บ, บวันลุงเอ้ยไอ้นบีเอ้ยหลานเอ้ยเงินลุงหนหมดแล้วเอามาทำสงครามกับหลานก็ดันมาแพ้อกีกนบีก็บอกว่ า, วาก่อนที่ลุงจะออกจากบ้านน่ะ รุ่งคุยกับภรรยาไม่เจริแล้วก็ฝากเงินไว้ก้อนนึงนอยู่ในถุงอะ่ะแล้วก็ถุงเนี่ยก็ให้กับภรรยาไว้ภรรยาเก็บไว้ในห้องอะ่ะ hey, เฮยังรู้ได้ไง <laughs> นบียว่าอดเล่ายันฟังจิบรีมันเล่ายันฟังหมดแล้วนี่ไงฉะนัานเรื่องในครอบครัวเรานี่นะมี อ, อง า, าอองศาสนาไหมอางศาสนาลูกอามเอาลอรููหมดอย่าไปทําเล่นๆกับอัลลอฮ์น่ะ อัลลอฮ์ดูแลโลกใบนี้ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวฉะนั้นเรื่องในครอบครัวเราอัลลอฮ์รู้หมดเรื่องธุรกิจโกงหรือไม่โกงอัลลอฮ์รู้หมดลินและฮิลอัมรีพระบัญชาคำสั่งทั้งหลายนั้นเป็นของอัลลอฮ์ทางก่อนหน้านี้แล้วก็หลังจากนี้ต่อไปโลกดุนยาจะมีอายุเท่าไรก็าตามแต่เป็นของอัลลอฮ์หมดเลยแต่ถามว่าอัลลอฮ์รู้ไหมดุนยานี้จะหมดอายุเมื่อไรรู้แต่อัลลอฮ์เล่าไหยความลับมีอยู่ห้าอย่าง ที่ไม่เล่าให้มนุษย์รู้หนึ่งอะไรเมื่ อ, อไรจะเกิดวันเกียมสองอะไรเด็กที่อยู่ในคันมานดาเนี่ยผิวอะไรสีอะไรผู้หญิงผู้ชายเนี่ยพอเดาๆกันได้แล้วนะแล้วก็จะแทงก่อนหรือว่าจะคลอดออกมาจะรูปลอมไม่ลอไม่รู้นะเรื่องที่สามฝนตกเท่าไหร่เรื่องที่สี่ท่านจะตายในแผ่นดินไหนและ ข้อที่ห้าท่านไม่รู้ว่าท่านนี่จะมีอาชีพทําอะไร5้ารายการเนี่ยอลัลลอฮ์เก็บความลับไม่ให้มนุษย์รู้แม้แต่หมอก็ไม่รู้พวกหมอดูเนี่ยมันเอาเรื่องท่านไปหากินมุสลิมก็ถูกหลอกเยอะนะเพราะฉะนั้นเพียงหลายนับกา้เรื่องความลับเนี่ยเราดาราเก็บไว้หรายการไม่ให้ใครรู้ถ้ารู้วันตายไปไงเริ่มเครียดตกระดับ น, นี้ใช่ <c oughs> ขอบคุณอลัลลอฮ์สุภานะฮะวันดารา เนี่ยอิสลามอิสลามนะครับพี่น้องครับเป็นหลักการที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็มาจากอัลลอ์จริงๆด้วยและเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เสียเวลากับการไปนั่งใช้สมองเองนะครับเอาต่อมาครับอายาที่สนะครับบินัสริลลายังสุรุมมยะเช วะฮุอัลอาซิดุลราะหิมบินัสร์อัลลอฮฺยันซุร์เมย์ยาชาวะฮุอัลอาซิดุลราะหิมอายานี้ต้องการจะสอนบอกกับนบีและบอกพวกเราด้วยนะคนที่อ่านคนอ่านบอกว่าไงนะ คือเป็นอย่างนี้การช่วยเหลือของอัลล์เนี่ยในการทำสงครามหรือทุกๆเรื่องใครจะแพ้หรือชนะเนี่ยอยู่ที่การทดสอบของอัลละ์ถ้าเป็นศัตรูของอัลลอ์ชนะมุสลิมเขาเรียกว่าทดสอบอิบติลา ถ้ามุสลิมทําสงครามแล้วชนะศัตรูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะนี่เป็นการช่วยเหลือจากอ AH. ัลลอฮฺเบนนัสรินละที่เปอร์เซียแพ้อัลลอฮ์ช่วยเหลือนะแล้วต่อมาเปอร์เซียชนะอีกอ่านี่เป็นข้อคิดทั้งหมดเลยนะด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮฺนี่สอนมุสลิมอัลลอฮ์ช่วยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะเบนนัสรินละด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต่อมาครับอย่างสูรู้ไหม อ, อัลลอฮ์นี่นาซา ร, รอยางสูรูแปลว่าช่วยเหลือนะช่วยเหลือใครนะครับผู้ที่อัลลอ์สงประสงค์ผู้ที่อัลลอ์สรงประสงค์อัลลอ์จะช่วยใครก็ได้รวมไปถึงภรรยาเราลูกเราที่อยู่ที่บ้านเนี่ยรอัลลาดูแลหมดเลยนะ แต่และคนแต่และคนนิสัยไม่เหมือนกันนี่ยเอาลให้มานาะด้นเราเนี่ยสอนลูกเนี่ยมันก็ต้องเป็นด้วยนะลูกห้าคนนี่อัครลักกี่อย่างมันก็ห้าอย่างอะ่ะแล้วก็ต้องอบรมลูกให้เป็นอลูกคนนี้ชอบพูดดีลูกคนนี้ชอบคูคูอ <c> ล <oughs> างเวลาเนี่ยเตือนเราตลอดเวลาฉะนั้นความสำเร็จในด้านธุรกิจมาจากอัลลอ สงครามจะชนะหรือแพ้มาจากอัลลอฮ์ครอบครัวเราจะมีบรารการไม่มีบรารการอยู่ที่เราตาลาตรงเราต้องพึ่งเราตาลาตลอดเวลาครับท่า น, นคนที่พึ่งอัลลอฮ์เนยโยงกับอัลลอฮ์มนาบุละซันสอนดีนะไปอยู่ในอเมริกานึกว่าฉันไม่เอาอัลลอฮ์ก็ได้พอเงินเดือนมันเยอะใครบอกคุณนะ่ะ <c oughs> บางคนไปอยู่ในอเมริกาเงินเดือนเยอะใช่ไหมอยู่เมืองไทยนี่จนพออยู่อเมริกาทิ้งศาสนาแล้วไม่เอาศาสนาใครบอก ยิ่งรวยๆคุณต้องนึกต้องขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอ์ทดสอบคุณไม่ใช่อัลลอ์รักคุณได้เงินได้ทองมาอย่าคิดว่าอัลลอ์รักคุณอัลลอ์ทดสอบคุณด้วยการนับสริลแล้วด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ س ว ح ا ن ه และุตั้งอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือ นะครับผู้ที่อัลลอฮ์ส่งประสงค์เอาเราเขาอยากใครอยากจะให้อัลลอฮ์ช่วยเราก็าต้องวางตัวให้ดีใช่หรือไม่ใช่อัลลอฮ์ก็ทำงานเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยเอาใจในายจ้างนะจังเลยอะถ้าไม่เอาใจอัลลอ์บ้างล่ะอั่นอุลละมาก็แนะนำ ด, นาาดีให้ลุกขึ้นมาตะฮัยุดให้ลุกขึ้นมาตะฮัยุดลุกขึ้นตอนกี่โมงดีอ่ะ นี่พวกเธอเนี่ยนมาท้าทายยุทกัรบัยเห็นตื่นพร้อมๆผมอ่ะตีสีกว่ากว่าหน่อยได้ไห ม, มข้อประตูเปี่ปี่ยงเปี่ยงเปีมึงกูประตูจะพังข้อเบาๆหน่อยสิลุกขึ้นก่อ น, นมาสุบว่าหชั่วโมงนบีสั่งให้ทำแต่นบีทำเป็นแบบนะไม่ใช่ไม่ใช่พูดอย่างเดียว น, นบีทำนะทำสีข้อลุกขึ้นนมาท้าทายยุทข้อที่หนึ่ง ยืนนมาศท่านยืนไม่ไหวนั่งนมาศสองอ่านคุรานข้อที่สามิครุลลอฮฺริคุรุลลอฮฺว่าอย่างนี้อัลลอฮฺอักบาร์สิบครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์สิบครั้งซุบฮานัลลอฮฺวะบิฮัมดีฮสิบครั้งซุบฮานัลมัลลิคิลกุดดูสิบครั้งอัสตะฟุรุลลอฮฺสิบครั้งลาอิลลาฮฺอิลลัลลอฮสิบครั้ง อัลลอฮุมะอินนีอ้าวซูบิกามินดีกินดุนยาวาดีกียาเมลกียามะสิบครั้งถ้าต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ถ้าไม่เอ้าก็นอนไปอรลำมารีวาท่านถ้าต้องการนัสรุลละความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ต้องขอจากอัลลอฮ์ขอตอนไหนครับในละลุกขึ้นมานมาตาฮายุสเนี่ยแล้วก็ร่ำให้ข้อที่สี่ ข้อที่4ทำร้ยายร้องไห้ข้อที่1ยืนนมาข้อที่2อ่านคุนอ่านข้อที่3าิกรุลนเลาะข้อที่4ร้องไห้อัลลอฮฺผู้อัคบัติแต่ที้ถ้าร้องบ่อยๆนี่ดีไหมอ้อนอัลลอฮฺอัลลอฮฺก็มองดูบ่าบคนนี้มันใช้ได้เหรอทำมั้ยร้องเรื่อยอแบบนาบีอะไรนะนาบีที่อยู่ท้องปลายูนอสนั่นแหละไอ้ว่ อัลลอฮ์ออนอัลล์อ้อนอัลลอฮ์รับใจอ่อนเมตตาเอาช่วยช่วยช่วยแต่อัลลอฮ์รู้หมดแล้วอัลลอฮ์าวมาบิณัรลลัฮิยังซุรุมัยยาชะด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ยังซุรุมัยยาชอัลอทรงช่วยเหลือผู้ที่อัลลอทรงประสค์วอัลลทรงช่วยเหลือผู้ที่อัลลอระส์อัลลทรงช่วยเหลือผู้ที่อัลลประสงค์วฮวลอ้ีทรงระสฮี และอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ทรงอาซีสแปลว่าอำนาจคําว่าอำนาจอธิบายอย่างนี้ต้องการที่จะแก้แค้นลงโทษคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ในโลกในโลกอะไรนะในโลกอาคีระหรือโลกบนดุนยาเนี่ยได้ทั้งสองโลกเลยจะลงโทษเมื่อไหร่ก็ได้แต่นบีขอดูอาเอาไว้อัลลอฮ์จะอย่าเพิ่งลงโทษคนที่ไม่เอาศาสนา ประวินเวลาอย่าเพิ่งลงโทษเขาให้เขาได้หันมาเรียนาศาสนาเนี่ยมาเรียนกุรานมาเรียนอะไรสุนนะนบีมาเรียนพวกบรรดาซอบ้านนบีเขาเปลี่ยนแปลงกันยังไงเอารูปแบบนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็อรัรลอฮ์ใหอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาเสมอเมตตากับคนที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลล์เข้าใจนะอัลล์อัไบรอัลล์ไม่ทิ้งครับ แล้ว l ัลลสัญญาว่าอิสลามเนี่ยจ ะ, จะเป็นาศาสนาเดียวที่จะชนะาศาสนาอื่นทั้งหมดภาษานี้ิตทางหางี่คุณคุณยืมกลวง <laughs> อะต่อมาอายะสุดท้ายนะครับอายะที่5ว่าอัลลอฮ์ไม่ خلف الله وعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعد الله ไม่ خلف الله وعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون ข้ <ون> อนี้ต้องการจะ บ, บอกกับน บ, น บ, บีและบอกพวกเราด้วยนะบอกว่าสัญญาของอัลลอฮ์เป็นเรื่องจริงทั้งหมด สัญญาว่าดุลลอแปลว่าสัญญาของอลัลลอฮ์รู้ป่าเราเนี่ยทาสัญญากับอลัลลอฮ์ไว้เนี่ยกี่ฉบับรู้เป่าแปดฉบับตอนอยู่ในโลกแห่งวิญญาณยังไม่ได้เกิดมาเป็นคนนะ่อลัลลอฮ์สร้างวิญญาณก่อนพอสร้างวิญญาณเสร็จแล้วเนี่ยวิญญาณเรากับวิญญาณกับอลัลลอฮ์เนี่ยทำสัญญากันมีอยู่แปดฉบับ แต่ขอเล่าแค่สามสามฉบับพอนะพอเวลาจํากัดฉบับที่หนึ่งอลัลลอฮ์เป็นเห็นเห็นเห็นเอัลลอฮ์อลัอลลอฮ์มีจริงที่สัญญาฉบับที่หนึ่งอลัลลอฮ์มีจริงครับอลัลลอฮ์ถามว่าอลัลลอฮ์ตบิรับบิคุมฉันเนี่ยไม่ใช่เป็นประพูอภิบาลของพวกท่านหรือ ทุกวิญญาณทุกดวงบอกว่าบาราอัลลอฮ์เป็นรอเป็นพระผู้อวบารของฉันจริงนี่ฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองสัญญากับอัลลอฮ์ว่าฉันจะไม่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เกิดมาบนโลกดุงยาใบนี้จะไม่กราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์จะกราบอัลลอฮ์องเดียวจะไม่ไปหาโตตะเกียโตรยอรยฉันจะไม่ไปไปหาหมอดู ฉันจะไม่กราบรูปจเจวิสัญญาฉบับที่สองทุกวิญญาณทั้งรวนฟาโรด้วยนะทั้งตกรูนด้วยฮามานด้วยคนที่ไม่เอาอัลล์นะ่ยทาสัญญาอาลัลลอฮ์ฉบับที่สองนะฉันจะไม่ตั้งฟาคีกับอลัลลอฮ์ฉบับที่สามอะไรรู้เปล่าฉันจะไม่ทะเลาะกับเครือญาติฉันจะไม่ทะเลาะไม่ไมตัดขาดกับเครือญาติของฉันเพราะเครือญาติเนี่ย จะนำมาซึ่งบรากัดของชีวิตเนี้ยอัลลอฮ์สัญญาเอาไว้อัลลอ์ดีไหมสาวรายการเนี่ยดีหมดหนึ่งสัญญาว่าเราอัลลอฮ์มีจริงเป็นรบจริงสร้างโลกชั้นแผ่นดินสร้างมนุษย์จริงสัญญาที่สองเราจะไม่ตั้งพาคีกับอัลลอฮ์ฉบับที่สามจะไม่ตัดขาดกับเครือญาติของเราพ่อเราม่เรา น้องสาวน้องชายพี่สาวพี่ชายอดลญาติฝ่า ย, ายพ่อฝ่ายแม่ลูกสะพายลูกเขยพ่อตาแม่ยายโอ้ต้องติดต่อกับเขาอ่ะแล้วก็ทํางานก็เอาตัวอย่างนบีเป็นแบบเอาก็าอเยาะซาวบ้านนบีเป็นแบบนบีไม่เคยดา่าซาบะานเราก็ต้องทําตัวแบบนบีดีได้ไ ม, ม, ม่ดีอ่ะ ขณะที่คนนอนอยู่ในกูโบน่ะฝังใหม่ๆเนี่ยนะเวลาย่าพี่น้นองเดินออกมาจากกูโบได้ยินเสียงรองเท้าเนี่อัลลอฮฺให้พิเศษแล้วสัญญานี่จริงม้กกับลมตายดูยสิ <c oughs> เรานอนอยู่ในกูโบเนี่ยอัลลอฮฺให้ได้ยินเสียงรองเท้าโอ้โหเนี่เขากลับกันแล้วเนี่แล้วอะไรอยู่กับเราล่ะรู้ปะอะไรอยู่อามั่นที่ซอแลอ ย, ยังอื่นไม่อยู่ หัวกับเมียกับญาติพี่น้องกับโตครูใครเธอใครจะไปส่งกูโบก็เดินกลับหมดนะแล้วอะไรอยู่กับเราอามันที่สอนแล้วอยู่กับเราต้องนึกโอจริงแล้วนี่แบบจริงครับเรื่องที่สองครับนามาที่เรานมาทให้เวลาเนี่ยจะยืนเฝ้าเราด้านศีรษะเป็นเรื่องจริงครับนอนอยู่ในกูโบ่ะแล้วคนที่ไม่นมามาอะไรเฝ้าอ่ะ คิดเองนะนี่นบีสอนนะท่านนมาเรามีห้าเวลานมาสุนสุนัดเก็บให้หมดจะยืนเฝ้าเราด้านศีษะอินดรซิฮกานอติสโอินดาราซิฮิตวมะครับวก้านอสรยามัญามีนีถือบวชเนี่ยจะยืนเฝ้าเราด้านขวามือนี่เป็นเรื่องจริงครับสัญญาของอัลลอฮจริงครับไม่เคยบิดผิว ต่อมาครับว่าเกานาติสจากาตัอันชิมาลฮิซกาที่เราจ่ายไปสรกอรที่ทำบุญช่วยเหลือคนนั่นคนนี้จะไปยืนเฝ้าเราด้านกิมด้านไหนด้านซ้ายตัวลงมาสามด้านมีคนคุมกันย่างมีแล้วนามายูด้นศีรษะสยามอยู่ด้านขวามือซากาอยู่ด้านซ้ายมือและที่เท้ามีอะไรนึกออกใช่ไหมนับีสอนอยังไง ร, รู้เปล่า ว่นนากาววรานั่ง فعل الخيرات من الصدقة الله والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس อินดาริ جلا イการติดต่อกับเครือญาติที่ทำสัญญาฉบับที่สอง่ะที่อัลลัมอารวาน่ะมาออกตรงนี้เห็นยังครับทำตั้งกี่ปีตายแล้วเพิ่งจะเห็นว่าอลลนรอฉันติดต่อกับเครือญาติเนี่ยยเป็นอามันซีอแล้วยืนมายืนที่ไหน ด้านเท้าดี ไ, ได้ไม่ดีนี่คำสัญญาของล l ล a h หฮัมดดลิลลาจนะอยากจะเลาะ ก, กันกับเมียเรากับใคทะเลาะกับลูกเรามันยาินะกับพ่อเรามะเราเลากับพี่น้องฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ติดต่อไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนกันพ่อะนบบีทํทำเป็นแบบใช่หรือไม่ใช่ใชเอาต่อมาอีกค้อดีหนึ่งนะครับ เขาบอกว่าการเดินมามัสยิดอ่าการเดินมามัสยิดนะครับอะไรนะจะไปยืนเฝ้าเราที่ไหนที่เท้าแล้วก็การอ่านอัลกุรอานอัลลอฮฺอักบาร์จะมายืนด้านศีรษะตัวรู้ว่ากา ร, รอ่าอ่านอ่านอ่านกุรอานน้มารวมหมดเลยอยู่ด้านด้านศีรษะท่านอ่านกุรอานเยอะ ๆ, ๆท่านรางวัลอยู่ที่ไหนรางวัลอยู่ที่หลังตายหมดเลยอะ นนบีเลยพูดนะว่าฉันจะไม่ทําอะไรก็ตามถ้ารางวัลในโลกอาคือร้องไม่มีฉันไม่ทํามิ น, น บ, บีพูดเลยนะจะต้องอ่านอนอยู่ที่บ้านทำไรนีอๆๆๆๆ่อ่านกุณอ่านเยอะๆอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนอยู่กับเราด้านไหนด้านศรราีรษะนมาสุนัตเยอะๆเป็นเพื่อนอยู่กับเราด้านศรรีรษะสภาใจไหมอัลฮัมดุลิลลาฮฺอัลลอฮฺบัดอัลฮัมดุลิลลาฮฺอาต่อมาครับ นี่สัญญาของอัลลอฮ์นะเบี้ยวไหมไม่เบี้ยวแล้วนี่อีกอย่างนึ่งนะครับกุรอานสั่งนะอัลอาคิลลาใครที่รักใครกันในวันนี้นี่กันเมืองกันมาแล้วรักข้ามใจพอบพักขอร้องอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าทำเลยทำงี้ดีกว่าอัลอาคิละายาวมาอิดิมบาดูฮุมลิบาดินอดู อิ ล, ลมุตะกีนใครที่รักการวันนี้ช่วยเหลือกันด้านการเงินการทองไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันไม่ใช่อื่นไม่ใช่ไม่ทําไม่จะทําเพื่ออัลลอฮ์นะในวันกิยามะพอตายขึ้นมาปาพอฟื้นขึ้นมาเป็นศัตรูกันหมดเลยนี่เป็นคําสัญญาของอัลลอฮ์ละจริงไหมจริงไหมเชื่อหคดูต่อไป อัลลอฮ์บนดุงยาก็จะรั่อกระแล่นด้เราแค่ยายภักเท่านั้นแหละโอ้โหอักบาตไม่ไ ม, ไม่ไม่พูดเยอะแค่นี้เท่านะอิลลมุตตีนนอกจากคนที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นที่เขาจะรักกันบนดุงยาตายไปแล้วฟื้นขึ้นมายังรักกันเหมือนเดิมถ้ารักกันเพื่ออัลลอฮ์ ฉะนั้นเราแต่งงานกับภรรยาเราเราแต่งเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์นวันเกิดมาอยู่ด้วยกันอีกคับดีหรือไม่ดีแต่ไม่อยู่คนทีบอกว่าฉันไม่เอาได้ไหมนะเขบอกทำไมเราไม่เอาอ๋ อ, อไม่เอาฉันของทองคนใหม่กะอร่อยจริงๆผมไม่เล่าว่าใครเลยนะอยู่แถวมบนงกองน้อย <c oughs> ตายไปหมดแล้วบุคคลเหล่านี้ A, terima kasih. Wa'ad Allah, sanyaan Allah. لا يخلف الله وعده. لا Allah ni nak yulip berapa? La berapa? Macam? Yulip berapa? Macam? Biji plew. Allah ni macam? Biji plew. Wa'adu sanyaan Allah. ตัลงว่าอัลลอฮ์สั่งอย่างงานก็เป็นแบบนั้นจริงคนมุเมนได้ไปสวรรค์จริงคนแม่ไม่ใช่มุเมนกาเฟตมุชาิกตกนรกจริงอ้าไม่เชื่อลองลองดูคนต่อไปอัลลอฮ์ให้โลกเดียวนะอาคีรออัลลอฮ์ไม่ให้นะคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ให้โลกเดียวนะเสวยสุขบนโลกเดียวหาความสุขโลกเดียวทําดีนาโลกเดียวกินเหล้าโลกเดียว แต่ทะเลาะขัากโลกเดียวนี่แล้วพอแล้วให้แค่โลกเดียวนะหลังตายเจอแล้วแค่จับใส่โลงเท่านั้นแหละเอ็งจะพาฉันไปไหนอ่านไม่เชื่อลองตายดู <c oughs> อาต่อมาครับ <c oughs> <c oughs> วลากินอักษรศิลยัยละมูลลากินแปลว่าแต่ว่าอักษตแปลว่าส่วนมากอันนาามนุษย์ แต่ส่วนมากมนุษย์เนี่ยลายฮอร์โนไม่รู้ก็เรื่องก็เรื่องแค่เรื่องกูโบอย่างเดียวนะรู้หรืเปล่าไม่รู้หนังสือทุกเล่มบนดุนยาเนี่ยอ่านหมดที่คนแต่งนานะนะที่ชานดาวินแต่งเรื่องมนุษย์มาจากลิงฉันอ่านแล้วเข้าใจแล้วเชื่อแล้วชานดาวินอธิบายว่ไงนะ มนุษย์ถูกวิวัฒนาการมาจากลิง I believe uh, I, I, อ่า I immer รอยเปอร์เซนมาจากลิงจริงๆความคิดของมนุษย์เชื่อทำไมถ้าไม่ไม่อา่านกุณอาานละยกเว้นกุณอานเล่มเดียวที่ฉันไม่อา่านยังอื่นฉันอ่านหมดล้วเป็นไงครับถ้าไม่อา่านกุณอานอัลลอฮ์ถามตอนฝันดูในกูโบรู้เป่าถามสามเรื่องใครเป็นรอบของคุณ รู้จักนบีมูฮัมมัดไหมรู้จักคุกรานไหมไอ้ของที่อัลลอฮ์ถามในกูโบนเนี่ยไม่เรียนไปเรียนของที่อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้เรียนและใ ค, ใครใครระบากตัวเองระบากเองค่ะนี่ไงลายะละมุน <L ay alam un> พวกเขาไม่รู้ส่วนมากมนุษย์นี่ไม่รู้ว่าชีวิตหลังตายเป็นยังไงไม่รู้เอาเดินผ่านกูโบเห็นอะไรเห็นดินนูนๆใช่หรือไม่ใช่ เราก็เห็นไม้ใช่ไหมสองอันนั่นคนคนส่วนใหญ่ก็เห็นเห็นแค่นั้นแหละแต่คนที่เรียนสาสนานี่เขามองลึกไปถึงอะไรมาลิกา ใ, ใช่ไหมใช่นากกตมุงกัตใช่ไหมมาสอบที่กูโบใช่ไหมสอบกี่เรื่องมานึกอาละวัดแล้วเราพร้อมหรื อ, อยังแล้วก็มันมีงู ด, ด้วยมันมีแมลงป่องด้วยมีนู่นมีนี่ต้องนึกเยอะฉะนั้นรู้เฉพาะ ทำแกงมัสมแมนอย่างเดียวแต่เรื่องนามานคูชัวทำไม่เป็นเรื่องแกงมัสมแมนฉันแกงเก่งมากเลยอร่อยมากกลิ่นหอมอยู่กรุงยุโรปสั่งหน้าดูเลยแต่ว่านามานคูชัวทำงานไม่เป็นครับในงานยาอะลามูน่ะรือรู้เรื่องดุนยาแต่ไม่รู้เรื่องที่จะให้ตัวเองรอดจากการลงโทษของอัลลอฮ์ทำไม่เป็ น, นพี่น้องก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรฉะนั้น อายาน้าเนี่ยอะรนะอายาต่อไปอาทิตย์หน้าเนี่ยนนนนนนนนมันมีต่อไปอีกยาลามูนละฮิรนรู้เรื่องผิวเผินแต่เรื่องลึกๆไม่รู้กำลังจะด่าใครด่าคนที่ไม่เอาศาสนานีละแต่ a ล l a h ด่านิ่มๆขับพะุณ a l l a ม u m m a h u b i h a m d i k a s h o l a y i l l a h i อั l a h a n t a astaghfirka wa t u h b i i